เพื่อพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันจิตใจของคนเรานี่เมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วมันยอมกลับกอกเลื่อยไปเป็นเป็นสิ่งที่เอาแน่ไม่ได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจเมื่อรู้ตัวว่าตนนั้นยังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมจิตใจยัง ง, อ น, งนอนแงนคลอนแค้นอยู่ <c oughs> จิตใจที่ ง, อ น, งนอนแงนคลอนแค้นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับไม้มันพลาดรั้วเพราว่านั้นแหะ มันหนักทางไหนมันก็นลงทางนั้นจิตใจคนเราเมื่อมันหนักทางอากุศลมันก็ดิ่งไปในทางอากุศลนั่นน่ะนั่นน่ะมันก็นําทุกข์มาให้แก่ตนอย่างนั้นน่ะถ้ามันหนักไปทางกุศลธรรมใจมันก็ดิ่งลงไปทางกุศลธรรม กุศลกับอกุศลเนี่ยมันย่อมเป็นศัตรูต่อกันและกันแต่ว่ามันมีใจเป็นประธานสุดแล้วแต่ใจมันน้อมไปทางไหนส่วนนั้นมันก็มีกำลังขึ้นส่วนหนึ่งมันก็อ่อนกำลังลง อ, อย่างนี้เพราะว่าจิตคนเรานี่มันจะมีคิด เรื่องบาปเรื่องบุญนี่พร้อมๆกันทุกขนาดจิตไปเลยไม่ได้ขนาขนาดจิตนี้คิดไปทางบุญกุศลแล้วอย่างนี้มันก็งดทางบาปถ้าขนาจิตนี้คิดไปทางบาปอากุศลมันก็งดไปในทางกุศลมันเป็นอย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่มาเข้าใจวิถีชีวิตจิตใจของตนอย่างนี้แล้วก็จึงไม่นิ่งนอนใจพยายามฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะนี้ให้มันแก่กล้าในใจของตนเสมอเมอคอยประคับประคองจิตที่มันเป็นกุศลอยู่แล้วก็ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลนั้นสม่ำเสมอไป อย่าให้มันตกไปในทางอากุศลการฟังคำสั่งสอนของพระเจ้านะก็ขอให้พากันเข้าใจว่าเป็นการแสดงทั่วไปแก่บุคคลไม่ไม่ว่าใครไม่ได้เจาะจงใครโดยเฉพาะนี่นะ เพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่าใจของตนนั้นมันมีความดําลริไปในทางบาปอกุศลมีอยู่หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะรู้ตัวเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้แล้วจิตใจของตนมันหนักไปทางกุศลธรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคน จะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าว่าใครพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไอ้จิตใจของตัวเองมันชักน้อมไปในทางอากุศลมากกลัวไปในทางกุศลเช่นนี้แล้วก็ต้องรีบแล้วต้องรีบบำเพ็ญเพียรเข้าไปควบคุมจิตตัวเองสอนจิตตัวเองให้ยินดีในทางบุญทางกุศลให้มากมากเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> ยินดีในทางบุญก็ยินดีในการประกอบกิจจากการงานต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ตอนและผู้อื่นยินดีในการประกอบกุศลให้เกิดมีขึ้นาความว่าฝึกจิ้ให้ฉลาดให้รู้จักอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วที่มันเกิดขึ้นในจิตนั้น ให้รู้ตัวได้ว่าในขณะนี้ตนเผลอคิดเรื่องชั่วขึ้นมาเมื่อรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละเรื่องนั้นให้มันระงับจากกิจใจไปถ้าเป็นเรื่องใดที่ตนคิดอ่านขึ้นมาเป็นทางบุญกุศลล้วก็ส่งเสริมความคิดนั้นให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ท่านเรียกว่า เป็นการบำเพ็ญกุศลอันนี้นะหาหนทางละอกุศลออกไปเรื่อยๆเมื่อละอกุศลจิตนี่ลงได้กุศลคือความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นในใจเมื่อมีความฉลาดแล้วก็สามารถรักตัวรักษาตัวเองรักษาจิตใจของตนเองให้ ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นปกติเลยไปอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งฝึกตนเข้าไปไม่มีใครผู้แนะนำสั่งสอนนี่จะไปคอยดูแลคอยตักเตือนใครต่อใครที่ทำผิดพูดผิดอะไรไปอย่างนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็น อยู่ในฐานะที่จะพึ่งทำไปได้ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ไปจ้ำจี้จำ้ำไซกับใครเลยเมื่อมีคนไปรวมกันอยู่ศาลาการประเรียนได้เวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงศาลาการประเรียนกระรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทหมู่ใหญ่นั้นฟัง ให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันไปอย่างนั้นเนี่ยเด็ผู้ใดสามารถรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้นั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีนั่นเนี่ยได้ไปปฏิบัติตามคำสอนผู้ใดรู้ไม่ได้ฟังแล้วแล้วไปเลยจับเอาอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้าสอนนั้น เอาไปฝึกใจตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ผู้นั่นก็นะว่าเป็นคนอาภัพอือย่างนี้แหละมันมันใครจะไปช่วยใครไม่ได้เลยอนเรื่องอย่างนี้นะ่ะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องให้มีความคิดความเห็นเสมอกันไปอเราอยู่ด้วยกันรวมอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะ ก็ดีเราพยายามทำความคิดความเห็นให้มันตรงกันเสมอไปความเห็นที่ตรงกันนั้นนะมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังที่พูดมาแล้วนั่นแหละต้องเห็นลงไปว่าบาปนี่ควรละบุญควรกระทาอ่ะจิตใจนี่ควรชำระไม่ควรปล่อยให้มันเศร้าหมองคุณมัว ต้องชำระให้มันเบิกบานผ่องใสแต่ละวันแต่ละคืนเนอย่าปล่อยใจข้างตนให้เป็นทุกข์ให้เศร้าหมองวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยความเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้กันหมดก็เรียกว่าเห็นตรงกัน น, นั่นแหละเมื่อมีความเห็นตรงกันอย่างนี้แล้วมันไม่มีเรื่องอะไระอยู่ด้วยกันเน่ะ เพราะต่างคนต่างก็จะคอยจะกํำจัดความชั่วออกจากตัวนี่นะมันจะมีเรื่องอะไรลนะ่ะคนเรานี่ถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดว่าไอ้เรื่องความชั่วนี่เราจัดสละมันเลยจักไม่เก็บเอาไว้ในใจอย่างนี้นะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยอเราอยู่ด้วยกันนะไม่มีเรื่องกระทบกระทั่ง ให้วุ่นวายเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเลยนี่ขอให้เข้าใจกันการที่เราอยู่ด้วยกันจะเประพบกับสันติสุขได้ต่างคนต่างก็มี ส, สมติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนอยู่เสมอไม่ให้มันคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละคิดโลภคิดโกรธ คิดหลงมัวเมาโมนีนานั่นนี่เรียกว่าคิดเป็นอกุศลว่ากันอย่างจงแจ้งนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าตนสามารถควบคุมจิตของตนได้ไม่ให้มันคิดไปทางอากุศลอย่างว่านี่หลายๆคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้นะมันก็สบายเลยไม่มีอะไระเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายสบาย เรียว่าเป็นผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะใจอันเป็นบาปนั้นสละมันออกไปแล้วไม่สร้างมันเอามาไว้อย่างนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาความมุ่งหมายที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงประทานพระพุทธ ศาสนาธรรมคำสอนไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทนำไปปฏิบัติตามสิ่งใดที่ควรละให้เพียนละมันไปสิ่งใดที่ควรทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำให้เกิดให้มีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่เคยพูดมาแล้วการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อยังรู้ว่าตนนั้น มีสินยังดังยังพลอยอยู่เนี่ยก็พยายามรักษาให้มันกระชับเข้าไปกว่านั้นให้มันถี่ท่วนเข้าไปก็หมายถึงสินใจนู่นเองเลยมเมื่อรักษาใจได้ก็รักษาสินได้พูดง่ายง่ายเมื่อใจไม่กโกรธโมโหโทโสอะไรต่ออะไรแล้วมันก็รักษาสินได้หรือหรือเมื่อใจไม่โลภแล้วนะ ไม่คิดเพ่งเลงอยากได้อะไรต่ออะไรภายนอกนู่นนถือฐาทุถีตามมีตามได้ดังที่เคยอธิบายมาบ่อยๆอยู่นั่นน่ะก็เป็นผู้มีสินเนี่ยเบ่นงนั้นก็มีสินได้เลย <c oughs> ถ้าผู้ใดยังยึดมั่นอยู่ในโมโหโทโสอะไรอยู่งั้นเนี่ยสินนั้นจักไม่บริสุทธิ์ จะเศร้าหมองถึงไม่ขาดก่อเศร้าหมองเพราะว่าถ้าใจนี่มันเกิดโมโหโทโสขึ้นมาแล้วใจนี่มันเศร้าหมองนะเมื่อใจเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมอง <c oughs> เพราะว่าศีลแท้ที่แท้จริงเนะี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่กายวาจากายวาจานี้เป็นได้เพียงว่าไม่ไปกระทาความชั่วเท่านั้นเอง นั่นนะแต่ตัวสินทแท้มันอยู่ที่ใจตั้งเจตนาวิรัตละเว้นอยู่เสมอเสมอไปนั่นแห ล, ละตัวสินทแท้จริงนะวันใดเวลาใดเราก็ตั้งจิตเจตนาที่ละเว้นจากบาปอากุศลต่างๆจากไม่ล่วงละเมิดในข้อสิน ต่างๆเหล่านั้นเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงพูดถึงเรื่องการรักษาบุญกุศลไว้อย่าให้เสื่อมอันนี้สำคัญมาก คนเรานั่นทำบุญทำได้แต่ว่าตอนจะรักษาบุญไว้ไม่ให้เสื่อมนี้นะมันยากสักหน่อยแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยพอที่จะรักษาไว้ได้อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทแล้วผู้มีความเชื่อมั่นว่าในบุญในกุศล เท่านี้แหละที่จะอำนวยผลให้เป็นสุขได้ในขั้นใดๆก็ดีนี่ความเชื่อมั่นอันเนี้สสำคัญนะให้พากันเข้าใจถ้าความเชื่อในบุญกุศลนี่ไม่มั่นคงพอแล้วความพาคเพียนพยายามสั่งสมบุญกุศลมันก็ไม่แข็งแรงนะความตั้งอกตั้งใจมันก็ไม่เข้มแข็ง มันชักจะเฉยชาอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าท่านจึงยกเอาศรัท ธ, ธานั้นเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยเพราะว่าศรัท ธ, ธาความเชื่อนี่มันสำคัญนะถ้าใจไม่เชื่อแล้วมันไม่ทำหรอกคนเรามันไม่ลงมือทำเลย เพราะใจมันเชื่อนั่นแหละมันจึงได้ลงมือทำเชื่อว่ามนทำอย่างนี้แล้วมันจะมีผลดีอย่างนี้มันจะได้รับความสุขสบายอย่างนี้อย่างนี้มันคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้ขมักขมเนรทำไม่ท้อไม่ถอยอการสํารวมตนให้ดีอย่างนี้อย่างนี้เมื่อสํารวมตนให้ดีอย่างนี้แล้ว กิเลสมันจะน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเพราะว่าตนควบคุมจิตของตนอยู่ไม่ไม่ไม่ส่งเถริมกิเลสไม่ปรุงแต่งกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงเบาบางออกไปเพราะว่าใจไม่ปรุงแต่งมันขึ้นมานี่ เรามาเชื่อมั่นในใจว่าเมื่อเรามีสติสำรวมจิตใจให้เป็นปกติไปได้อันนี้จะทำให้กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจความทุกข์ทางใจก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนี่นะสำคัญนะตรงนี้นะให้พากันคิดดูให้ดีทุกคนนั้น การกระทาอะไรก็มุ่งหวังอยากจะให้ได้รับผลคือความสุขไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วจะต้องการให้ได้รับทุก์เป็นผลไม่มีสักคนเดียวเลยนั่นนะเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ลองพิสูจรตัวเองดูว่าเท่าที่ตนทำความดีมานี่นะตนได้รับความสุขทางใจมากน้อยเพียงใด อันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคน จ, จะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองพิสูจน์ใหเห็นให้รู้ด้วยตนเองเลยจะใหผ้ผู้อื่นนั้นพยากรให้นั้นไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่พยากรให้ใครเลยต้องให้รู้แจ้งด้วยตนเองอเมื่อมันรู้แจ้งด้วยตนเองว่า ตนได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้บุญกุศลได้เกิดขึ้นในใจของตนแล้วบันนี้มันก็จะธนุถนอมบุญกุศล น, นั่นแหละเพราะว่าบุญกุศล น, นั่นมันทำให้ใจสงบใจเยือกเย็ยนสบายเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างนี้นะก็เบาบางไป ความทุกข์ความร้อนในใจนั่นนะมันก็เห็นผลแห่งบุญกุศลขึ้นมาอย่างนี้เห็นกิเลสตัณหามันเบาบางออกไปจากกิจใจนึกทบทวนเทียบดูตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อเรายังไม่ได้ภาคพียนพยายามปฏิบัติธรรมนี่กิเลสในใจแต่ก่อนเป็นยังไงอะ่ะหนาแน่นเพียงใด ทุกคนย่อมทบทวนคืนหลังได้ทางนั้นแหละรู้เรื่องของตัวเองอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจนได้มาปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วเช่นนี้นะกิเลส ท, ที่เคยล่วงเกินมาแต่ก่อนนั้นนะที่เคยตกเป็นทาสของม า, มาแต่ก่อนนั้นนะมาบตบนี้เป็นยังไงใจมันอยู่เหนืออำนาจของกิเลสนั้นหรือไม่ มันก็รู้ได้แหละเมื่อหากว่าตนปฏิบัติถูกทางจริงก็รู้ได้เลยว่ากิเลส ท, ที่มันเคยทำทุกข์ให้แก่ตนมาแต่ก่อนนั้นมันหายหน้าไปถ้าไม่หายเด็ดขาดก็เียว่าเบาไปมากอย่างนี้นะมันมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องรู้ถ้าเมื่อรู้ผลแห่งการปฏิบัติได้อย่างนี้นะ ใครเราจะไปท้อถอยแบบนี้นะมันก็เชื่อมั่นในใจเลยว่าทางนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์อย่างนี้นะนก็ขยันไหวพระขยันภาวนาสมาธิไม่เบื่อไม่น่ายต่อการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อมองเห็นว่าจิตใจนี้ถ้าว่าเราไม่ฝึกฝนอบรมแล้ว มันจะต้องทำทุกข์ให้แกตัวเองยิ่งกลัวผู้อื่นมาทำทุกข์ให้เดี๋ยวว่าตนเองนี่แหละก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองมากกลัวคนอื่นที่จะมาแสดงตนเป็นศัตรูจะมาทำลายตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะั่ะนะมันก็ไม่ค่อยมีคนเราถ้าหากว่าเราทำความดีอยู่งี้นะศัตรูภายนอกไม่ค่อยมีนะเนี่ยนี่ มีแต่ศัตรูภายในคือกิเลสบาปธรรมนั่นแหละถ้าหาว่าตนไปสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนานแน่นขึ้นในตนเท่าไหร่ตนก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนมากเท่านั้นอ่านั่นแหละไม่มีใครทําทุกข์ให้แก่ตนยิ่งกลัวตนทําทุกข์ให้แก่ตนหมายความ อ, อย่างนั้นคนผู้ประมาทคนไม่เห็นโทษแ ก, กแห่งกิเลสบาปธรรมอ่ะ น่นแหลดังนั้นทุกคนนะต้องให้พิจารณาดูจิตใจตัวเองให้ได้อย่าไปทอ้อไปถอยการเพ่งพิจารณาตัวเองคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยเพ่งมาพิจารณาตัวเองนะมักจะส่งใจไปเพ่งพิจารณาแต่คนอื่นนู่นนั่นแหละมันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันต่างคนต่างก็เพ่งไปหากันเลยกัน เพ่งไปในทางดีบ้างทางไม่ดีบ้างอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเข้าไปวิโตวิจารณ์ว่าเข้าไปก็อดไม่ได้ก็ต้องไปเปล่งออกทางวาจาตำหนิติเตียนกันไปว่าร้ายกันไปนี่เรียกว่าคนคนลืมตัวคนไม่ได้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาพิจารณาตัวเอง ก็ยอมจะไปมองเห็นตั้งแต่โทษของคนอื่นมองไม่เห็นโทษของตัวเองถ้าว่าใครมาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่แล้วมาเพ่งดูตัวเองว่าตนเองนี่ก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีเวลาพลั้งเผย อ, อยู่บางคราวก็คิดดีบางคราวก็คิดชั่วฉันใดแม้คนอื่นมัน พี่เขาก็ยังลากิเลสไม่ได้เหมือนกันแหละกับตนนี่ะถ้าว่าเขาเผลอตัวเขาแสดงบทชั่วออกมาเราก็ให้นึกถึงตัวเองอะถึงข่าวเราเผลอตัวแสดงบทชั่วออกไปก็มีไม่ใช่มีแต่คนอื่นเขาอนึกถึงเขากับเรามาเทียบกันอย่างนี้แล้วเราก็ให้อภัยเขาได้ ถ้าไม่นึกไม่พิจารณาเทียบเคียงกันอย่างนี้ล่ะมันจะไม่ยอมให้อภัยแกคนอื่นไอ้คนเรานะ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะมันสำคัญว่าตนดีอยู่ไปเข้าใจแต่เห็นแต่ผู้อื่นว่าไม่ดีโดยส่วนเดียวเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายละกกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละให้พากันเข้าใจ มันก็เป็นอุบายละความโกรธความอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันนี่น ะ, ะถ้าเราพี่ณนะถึงเขากับเราเทียบกันเข้าไปแล้วก็เห็นว่าไม่เกินกันเท่าไหร่นักอย่างนี้แล้วมันก็ต้องให้อาภัยกันไปแหละเป็นอย่างนั้นมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจึงหมายความสั้นๆลงมาว่าเป็นการปฏิบัติจิตใจดวงเดียวนี้แหละให้มันดีขึ้นอย่าให้มันเลวลงเพราะว่าใจดวงนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วว่าตั้งแต่ไหนต่ไลยมาที่ล่วงแล้วมามันก็มีกิเลสตัณหา มาณทิฐิเหล่านี้ دة, เนี่ยเป็นเครื่องนําทางไปหาพบน้อยพบใหญ่ไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่เนี่ยก็มีกิเลสเหล่านี้เองนําทางไป น, นั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วบุคคลใดไม่สามารถที่จะละมันได้มันก็บันดาลให้ไปทำดีบ้างทําชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนั้น เมื่อทำดีมันก็เป็นกรรมดีไปทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปอย่างนี้น ะ, ะกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็เป็นพาหานะรองรับดวงกิจนี้เมื่อละโลกนี้ไปนำดวงกิจนี้ไปสู่สถานที่ที่บุญกุศลจกพึ่งอำนวยให้ถ้าผู้มีบุญนะถ้าผู้มีบาปบาปก็นำไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลาบาก เดือดร้อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตออ ม, มันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้งเพทงตลอดแล้วเมื่อเรามาทวนกระแสจิตพิณิพิญนาดูมันก็ต้องเห็นอย่างนี้สําหรับคนที่มีปัญญานะคนไม่มีทิฏฐิมานะจัดเกินไปเมื่อพิจารณาดูนี่มันต้องเห็นตามนี้แน่นอนเลยอ่ะ ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ตายไปสู่โลกหน้าก็ตามแต่ว่าโฉมหน้ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนเลยก็ไม่แน่ยังไงแล้วคนเรามันตายเห็นอยู่นี่นั่นเลยก็เมื่อหมดบุญหมดวัตรสนาลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็หมดลมหายใจเข้าขออกเมื่อหมดลมหายใจเข้าขออกแล้วร่างกายนี่มันก็ แตกรกระจายไปคนละทิศละทางกันไปส่วนจิตนี่มันก็มีบุญบาปรองรับไปจะไปหาเกิดตามสบายไม่ได้เลยจะไปเที่ยวหาเกิดเอาตามความชอบใจไม่ได้มันต้องตกอยู่ใต้อำนาจของบุญและบาปที่ตนทำนั้นมันก็สุดแล้วตั้งแต่บุญและบาปจะนำไปเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหาที่เกิดไม่ได้ตามประสงค์ ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้คนจนนะเมื่อเห็นเขาว่างมีสีสุกขยากไปเกิดกับคนรวยอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมในชาตาก่อนเราเราเราถึงไม่มาเกิดกับคนร่ำคนรวยหนอเพอมันจะเกิดได้ยังไงตนไม่มีบุญนะ่ะบุญตนน้อยนะมันจะไปเปิดไปเกิดกับคนร่ำรวยได้ยังไงอ่ะอันนี้ยคนที่เขาไปเกิดกับคนร่ำรวยได้ ก็เพราะว่าเขาสะสมบุญกุศลไวยมากเขาเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆเขามีความเคารพรบน้อมต่ อ, อ, อผู้ดีผู้ดีทั้งหลายผู้มีคุณสมบัติอันดีงามเช่นเขาเคารพรบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์ต่อมารดาบิดาต่อครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย ไม่ประมาทความเคารพน้อมน้อมดังกล่าวมานี่แหละเป็นคุณสมบัตินําบุคคลผู้นั้นให้ไปเกิดในตระกูลสูงหาใครนะมีความกระด้างกระเดืองไม่รู้จักเคารพนอมน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพดังกล่าวมานั้นแล้วกรรมมานั้นแหละนําให้ไปเกิดในตระกูลต่ํานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นเป็นความจริงเลยสำหรับผู้มีปัญญาและย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความภาคเพียรชําละจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสสะอาดอย่าทำตนให้เป็นคนเจ้าทุกข์ อย่าให้ทำทนให้เป็นคนน้อยเนื้อต่าใจกับความผิดหวังอะไรต่ออะไร อ, ะอย่างนี้นะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาความได้ความเสียความสนเสริญความนินทาหมนี้ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปไม่ใช่คงที่หรอกคำสนเสริญเยือนยอนี่ก็เป็นไปชั่วขณะหนึ่งนอนหนึ่งก็หายไปแล้ว ความนินทาก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วสักหน่อยความนินทานีมันก็หายแหละเมื่อผู้นั้นไม่หวั่นไหวแล้วทำความดีเรื่อยไปเอาใครจะนินทาก็นินทาไปเราจะทำความดีแต่ก่อนนั้นเราประมาทจริงบัด น, นี้เรารู้ตัวแล้วเราจะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นไปเราก้มหน้าทำความดีสํารวมตนไป ให้มายัว่วให้โกรธก็ไม่โกรธอย่างนี้นะก็จะต้องได้รับความยกย่องสรรเสริญเมื่อภายหลังแน่นอนทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็กิเลสตัณหามาหน้าทิศไรก็จะน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้